เ้าไปมาใหม่ๆนะสนใจจะเรียนขึ้นมานั่งข้้งหน้าเราเฉพาะคนสนใจนะใครประเทนเพื่อนหลอกมากก <c oughs> หรือเปลก็แค่สมบูรณ์เจริญสติได้เรื่อยๆไหมให้ห <c oughs> ให้จิตมันึงฐานนะความรู้สึกตัวรู้สึกตัวตึงที่ของมันใจต้องตั้งมั่นสัมสมาสมาธิ <c oughs> ถ้าใจเราไม่ตั้งมั่น เราก็อ่านใจอ่านใจไม่ออก แ, แค่นั้นเองถาใจเราหนีไปเที่ยวเร า, เารกา็รู้ใจรู้ใจไม่ได้คือฝึกมายัางไงเนี่ยเคยฝึกไหม ค, ครับถามครับนฝึกเองหรือฝึกที่ไหนฝึกเอง ค, ครับหัวเข็บอกออเอ <c oughs> เวลาเราคิดถึงกา ร, รปฏิบัติต้อก็จะเริ่มน่าริ้วคิดขโมยจ้องไว้เอาไปเราตาย ถ้าเราฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสะก่อนการปฏิบัติง่ายมากนี่เราจะศึกษาธรรมะนะศึกษาแบบปัญญาชนเลยดีที่สุดเพราะกาสนาพูดเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาชนจริงๆถ้าเราดูทักษาพวกขึ้นแรกของพระพุทธเจ้านะเน้นแต่พวกปัญญาชนเป็นส่วนใหญ่พระปัญญวัครีรุกขครามองท่านคนปัญญาที่มีชื่อเสียงทีนี้อยาอ ย, อยุน้อย ได้รับนิมนต์เป็นตัวแทนตามในพยากรลักษณะชาชายศาิทธิ์ถ่ายกายะศักดิกุลมุตเพื่อน60คนชดินก็ดินก็ปัญญาชนพวกฟาริธาโชคกูสมุคลาภาษาอิบุตก็ปัญญชนเนั่ยยศศาสนาพุทธเนี้ถ้าเราเรียนโดยใช้สติปัญญาสม่ยาถ้าเราเอาอัตชานําพู้อเดียวก็เหนื่อยหน่อยอัตชาแบบ นั่งไปเถอะแ้ววันหนึ่งจะรู้แจ้งให้วันหนึ่งมันอาจจะยุคพิหานมันนานไปหน่อยงั้นเราจะปฏิบัติธรรมเราก็รู้จุดหมายใจทางเพราะเป้าหมายของเราจะปฏิบัติไปตรงจุดไหนถ้าเราไม่รู้จุดหมายใจทางของการปฏิบัติเราจะเผลออกไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างเรียบรัพไปสู่การสุขาริการในโลกกะตากจนมาฐานในโลกหลุดออกซ้ายบ้างขวาบ้างไปด้วย ลอยตามใจชอบบ้างกดก่มทรมานบ้างนี่เป้าหมายปลายทางจริงๆของการปฏิบัติธรรมในขั้นเบื้องต้นสุดเราต้องทําโสดาปฏิมาขึให้ได้อย่าเอาน้อยกว่านั้นอย่าตั้งเป้าต่ำกว่านั้นต่ำกว่านั้นจะเรียนที่อื่นเลยเสียเวลาการที่เราจะเอาโสดาปฏิมาให้ได้เราต้องรู้ว่าก้อโสดาปัจจบันมีคุณสมบัติอย่างไร ถ้าเราเมื่อไรเรามีคุณสมบัติเหมือนข้าสดับัตรเราก็เป็นพระโสดับัตรข้าสดาบัตรนี่คือคนที่ทําลายความเห็นผิดว่าตายกับใจคือตัวเราในขันห้าคือตัวเราอย่พวกเราจะรู้สึกว่ากายกับใจนี่คือตัวเรานี่นี่คือตัวเราใจนี่ก็ตัวเราในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งทั้งวันรู้สึกไหมเราอย่างว่าเราอย่างนี้โมโหมาคุยอย่างนั้นคุยมีอยู่คนนึง ถ้าโดบังเราสามารถทำลายความเห็นผิดว่ากายกใจเป็นตัวเราได้วิธีทำลายความเห็นผิดไม่ใช่นั่งเท่งหรอกไม่ใช่นั่งทำอย่างนี้วิธีทำลายความเห็นผิดมีวิธีเดียวคือเห็นให้ถูกครับกายกใจนั้นมันไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เราไปเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราจะทำลายความเห็นผิดต้องเห็นถูกอยากเห็นถูก ต้องเห็นตามความเป็นจริงนี้ทํำยังไงจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้การเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมหรือเรียกว่าวิปัสสนานั่นเองการจะการเห็นกายเห็นใจเขาเรียกว่าการรู้ทุกพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าอริยะสัจสี่เคยได้ยินไหมทุกให้รู้สมุทัยให้ระการรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจไม่ใช่รู้อย่างอื่น ไม่ใช่รู้ลมหายใจรู้นิมิตรู้อะไรเพิ่มรีบรลีรีบหลนะีเรื่องเหลวไหลใช่ศาสนาพุทธนะเรื่องทำใจนะเพิ่มเนาะเนาะเนาะเห็นผีเห็นเทวดาใะ น, นั้นไม่ใช่รู้ทุกนะนั่นรู้อย่าง อ, างอื่นเรรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจวิตีรู้ทุกมิตีรู้ทุกก็คือเ จ, จ้าสอบในหลักการปฏิบัติที่เรียกว่าสติปัติฐาน การรู้กายเนี่ยท่านสอนหลักง่ายๆนิดเดียวเยวรรืียว่ากายานุปัตนาสติปัฏฐานมึงมาจะคําว่ากายคําว่าอนุคําว่าปัตนาถ้าแต่ตับออกมึจะเข้าใจว่าจะทํำยังไงปัตนาว่าการ ร, า ร, รู้การเห็นอ น, หอนุไปว่าตาบตามรู้ตามเห็นใจไปตามรู้ตามเห็นเวทนาไปตามรู้ตามเห็นจิตไปนี่เรียวกว่าการเจริญสติปัฏฐาน นการตามรู้ก็คือมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยังไงนะต้องดูให้ตรงความเป็นจริงรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเมื่อไรเห็นความเป็นจริงจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราสักยศิษฐิขาดก็เป็นพระโดบันการตามรู้กายทำยังไงยากไหมไม่ยากเลยถ้าไม่คิดมากเอาเท่าที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วแสงจะง่ายท่านสอนง่ายๆเลยพิสุขท่้งหลาย ของเราก็อุอบาตรตับาติกาทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวนะต้องรู้สึกตัวกว่อนไม่ใช่อยู่ๆก็จะเป็นรู้กายรู้ใจเลยยังไม่มีความรู้สึกตัวใช้ไม่ได้ทิศสู่ทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวในตอนไหนในตอนที่ก้าวไปในการถอยหลังในการกู้ในการเียนในการเหลียวซ้ายแหลกขวาในการยืนเดินนั่ง น, น, น, นอนชินดื่มทําพูดคิดอะไรพวกนี้ ให้มีความรู้สึกตัวอยู่เนึองเนือถ้าเรารู้สึกตัวเราก็รู้กายรู้ใจได้ถ้าเราไม่รู้สึกตัวเรารู้กายรู้ใจไม่ได้ยกตัวอย่างไม่รู้สึกตัวเช่นเราแอบไปคิดนั่งคิดคิดคิดน่ยร่างกายโปรกโรกเป็นอสุภาเป็นปฏิกูลถามว่าการคิดอย่างนั้นน่ยมันเป็นการรู้กายรู้ใจไหมมันไม่ใช่ในขณะที่เราคิดเนี่ยเราลืมกายลืมใจสังเกตไหมพวกเราขณะเนี้ยฟังไปคิดไป แลมีใครรู้ว่ากายอยู่ยังไงใจอยู่ยังไงไม่รู้ลืมกายลืมใจเมื่อเราเป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดบางสายบางสำนักสึ่อสอนบอกให้รู้สึกตัวนะหลวงพ่อเทียนบอกให้รู้ดออกมาจากโลกของความคิดให้ได้เขย่าคาดรู้ตื่นแล้วแต่จานวนความจริงก็คือให้รู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวยเราก็รู้กายรู้ใจรู้เนื้อรู้ตัวได้ ให้รู้เฉยๆรู้ตามความเป็นจริงนั้นการรู้นั้นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ต้องไปนั่งดููปกายมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยคำว่าน่าจะเป็นไม่เอามันโสดโปรกเลยนี่คิดเอาสกโปรกอ่ะถามว่าจริงๆแล้วโสดปรกมีจริงไหมไม่มีนะโสกโปรกเป็นการรู้สึกเปรียบเทียบเราเท่านั้นจากความสะอาดเป็นเรื่องคิดเอาเอางอ คนตายศพปรวกไหมอีแรงบอกหอมนะหมาบอกพร้อมหอมเลยแราว่าหม็ศศพปลวไม่มีสภาวะแต่อย่างร้อนไม่มีสภาวะเราถูกไฟเราก็ร้อนหมามาถูกหมาก็ร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่า ง, างสพปลวกไม่มีสภาวาะอุทภรเนี่ยคิดคิดไปอย่างนั้นเองเพื่อให้ใจสงบเป็นเรื่องของธรถมะในวิปัสสนาจริงๆต้องรู้ตัวสภาวะรู้กายรู้ ใ, น ใ, นใจของจริงๆไม่ใช่คิดเอา ถ้าใจลอยก็รู้ไม่ได้เนี่ย mm. ถ้าจะรู้กายก็คือรู้สึกตัวขึ้นมากายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นพระเจ้าสอนขมดท้ายของการรู้กายกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นเช่นทะยักเนอรหใช่ไหมอยา่างพวกเราฟังหล่งพ่อพูดทะยักไปเรื่อยค ok mm. mm. ือดกกระดกกระดกไปะลืมตัวเองใช่ไเพราะว่ามวแต่อยู่ในความคิด เนี่ยเห็นไหมพยายามไปงี้นะใจไปอยู่ในความคิดงั้ยต้องรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนเนี่ถ้ารู้สึกตัวแล้วถ้าไม่ชอบรู้กาย ก, ายก็รู้เวทนาไปเวทนามีสองนันมีทางกายกับทางใจนั่งอยู่แล้วเมื่อยปฏิบัติไม่เป็นเลยอะมันนั่งเฉยๆ เ, เนี้ยนั่งไปเดี๋ยวก็เมื่อยเมื่อยรู้เมื่อยดูไปความเมื่อยไม่คงที่เดี๋ยวเมื่อยมากเดี๋ยวเมื่อยน้อย เมื่อยมากๆแล้พอขยับตัวความเมื่อยก็ดับไปอย่างนี้ก็เห็นความเมื่อยตามความเป็นจริงเห็นเวทนาตามความเป็นจริงหร <c oughs> ือมาฟังรู้อยู่ที่จิตใจเราก็ได้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไม่มีใครดีข้างเดียวไม่มีใครร้ายข้างเดียวเดียดเด๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายความรู้สึกต่างๆในใจเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปให้เราตามรูต้ตามเห็นตามที่เป็นจริง เพรฉะ น, นเราต้องปล่อยกายปล่อยใจให้เขาเคลื่อนไหวไปตามความเป็นจริงในเฉพาะทางใจนี่นักปฏิบัติต้องระมัดระวังพวกเราเป็ชอบบังคับใจให้นิ่งพอคิดถึงการปฏิบัติเราก็เริ่มบังคับใจให้นิ่งบังคับใจให้นิ่งทําให้มีความสุขในสมถะถ้าเราจะทำให้ปัจจุบเราปล่อยให้จิตใจเคลื่อนไหวไปเช่นตาเห็นรูปนุ่มหนุมเห็นสาวเดินมาจิตเกิดราคะให้รู้ว่ามีราคะ ป่อยให้จิตใจเคลื่อนไหวไปไม่ใช่นั่งเฝ้านั่งจ้องตาไม้คมเหงิต้องเอาจริงเอาจังเวลาจะดูผู้หญิงค่อยๆ้งเงยเก่ดูโอ้ชั้นนี่ไม่มีกิเลสใจชั้นเฉยนั่นแหละใจชั้นโง่กิเลสไม่กลา้าโผล่ขึ้นมาให้ดูเพราะว่าเป็นจะ้องเอาไว้เพราะนั้นอย่าไปนั่งจ้องมันอย่าไปบงังคับให้นิ่งเราไม่ต้องการเรียนให้นิ่งแต่เราต้องการเรียนให้เห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ กายก็บังคับไม่ได้ใจก็บังคับไม่ได้มีแต่ความเปลี่ยนแปลงงั้นการบังคับให้นิ่งเป็นคนละเรื่องแต่ถ้าต้องการพกผ่อนเราก็ไปทําให้นิ่งบางครั้งเราตามรู้กายตามรู้ใจเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วจิตใจอ่อนล้าเราก็ทาสมาธิเนี่ยทำต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะทำสมาธเพื่อพักผ่อนให้จิตใจสบายมีกําลังแล้วก็มาทํางานคือเจริญปัสนาต่อศรัาธรู้กายรู้ใจต่อ เนี่ยถ้าจะสรุปหลักของการาาานะทำนิพพานง่ายๆเลยหลักทำนิพพานาป็นการตามรู้ตายตามรู้ใจมีหลักอีกสามประการข้อที่หนึ่งเราต้องรู้ให้ถึงกายหรือรู้ให้ถึงใจจริงๆถ้าจะดูจิต ด, ดูใจก็ดูให้มันถึงจิตถึงใจจริงๆอย่าไปแค่คิดคิดเอาว่าตอนนี้จิตใจเราเป็นยังไงอย่าไปติดอยู่แค่ความคิดต้องดูให้ถึงตัวจริงของสภาวธรรม ใจเราเห็นรูปนั่งอยู่รูปเคลื่อนไหวรูปกู้รูปเห็นะเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเอานะไม่ใช่คิดเอาว่าร่างกายเราเป็ น, นอย่างโน้นเป็นอย่างนู้นเขาเห็นของจริงๆรู้สึกเอาใช้ความรู้สึกอย่าไปใช้ความคิดจิตใจล่ะจิตใจเร า, เ ร, ารู้สึกมีความสุขก็รู้รู้สึกทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้ใครรู้ทันไม่ถึงจิตถึงใจเองอย่าไปติดอยู่แค่เปลือบๆนะ เมื่อที่ก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งม า, มาอย่างพวกเราเนี้ยมันนั่งฟังถ้า ท, ทางไจใช่คนี้พอฟังเป็นหมดเวลาสิบโมงอ่าปรับเริ่มได้คลาขึ้นมาผมเข้าใจแล้ววิธีปฏิบัติเวลาผมเดินไปได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมบอกเนี้ยคุณไม่เข้าใจเลยดอกไม้จะหอมดอกไม้จะเหม็นมันไม่มีความหมายอะไร ถ้าคุณได้กลิ่นดอกไม้ห อ, อมใจคุณชอบให้รู้ว่าใจมันชอบเรียนให้ถึงจิตถึงใจเนี่ยไม่ใช่ไปรู้แค่ดอกไม้ไปรู้ดอกไม้ก็ไม่ยึดถือดอกไม้เราคืยึดอย่างอื่นต่ออีเรียนเราเมื่อไหร่จะจบงั้นเรียนรวบรักเข้ามาที่สิ่งที่เราเรียกว่าตัวเองคือกายกับใจนี่ท่าไม่เรียนที่ผิวผิวนอกนอ ก, นอกห่างไกลเนี่ยอเห็นดอกไม้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดูของอื่นอีกงั้นเรียนนี้เรียนเข้าหาตัวเอง ดูลงไปจิตใจของเราอ่ะพอเราไปเห็นสวยๆใจเรายินดีขึ้นมาเห็นขอไม่สวยใจยินร้ายขึ้นมารู้ที่ใจดนั้นหลักการปฏิบัติข้อแรกนะเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจไม่ได้เข้ารู้ให้ถึงจิตถึงใจอันที่สองต้องรู้ให้ถูกรู้ให้เป็นรู้ให้ถูกหรือรู้ให้เป็นนี่มีสามขั้นตอนก่อนจะก่อนจะรู้ทํำยังไงระหว่างรู้ทําไงรู้แล้วทํำยังไง พวกเราตั้งใจไหมก่อนที่เราจะลงมือรู้เนี่ยเราตั้งค่าก่อนทําใจขึ้นงเอาละต่อไปนี้ได้เวลาปฏิบัติฝืนได้ที่แล้วก็ค่อยมารู้เห็นไหมนี่ดัดแรงนะไม่ใช่ของจริงแล้วงั้นจะรู้รู้ก็ไปเลยต้องคิดมากเช่นถูกคนเขาด่าไะความโกรธมันพุ่งขึ้นมารู้เลยไม่ใช่เหรือจะด่าแหยุดพุ้งก่อนถ้าเชิด่าเห็นไหมก็เฉยๆ เพราะฉะนั้นก่อนจะรู้อย่าตั้งค่านอย่าบังคับจิตใจให้เฉยเฉยเฉยเฉยซึมซึมรู้ก็รู้เข้าไปเลยพระ พ, พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทําอย่างนั้นแต่บอกให้รู้สึกตัวคืออย่าเผลออย่าลงแล้วกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยอย่างไง้นี่ต้องตั้งค่าก่อนจะรู้ระหว่างรู้นะ่ะพวกเราชอบรู้แล้วก็สลับรู้ไปรู้แล้วก็จ้องจ้องจ้องอยูสลับตามลงไปลงไปนิ่งไปแช่ยอยู่กับอารมณ์ ยกตัวอย่างตัวเราไปรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจเราก็ชอบไหลไปแค่อยู่ที่ลมไปเกาะอยู่ที่ลมหนใจเราไปเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าใจเราไหลไปอยู่ที่เท้าทางลกศิษยหลงก็เทียนขยับมือหลวงก็เทียนขยับหลวงก็เทียนตื่นลูกสึษส่วนใหญ่ขยับที่จิตไหลไปอยู่ที่มือนี่หลงนั้นระหว่างเรารู้นี่ให้สัตว์ว่ารู้อย่าไหลเข้าไปอย่าสลับเข้าไปในอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้ารู้แล้วน่ะ รู้แล้วไม่ทําอะไรต่อจบอยู่แค่การรู้ไม่ใช่ว่าเพาไปรู้ว่าเออทีโทรศทัทโทรศัไม่ดีอย่ามีโทรศัพท์เ่ยหาทางรัโทรศัพท์ใช้ไม่ได้นะเราต้องการให้เห็นว่าจิตใจที่มีโทรศัเกิดแล้วก็ดับไปไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงจะไปช่วยเขาดับถ้าเราไปเข้าไปช่วยเขาดับเนี่ยเราจะเกิดความเห็นผิดว่าเราบังคับได้ เราต้องการปฏิบ <acceso. S 1> ัต <teokbokki. S 1> ิให้เห็นว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่บังคับได้ถ้าเราเข้าไปแทรกแซงโกรธขึ้นมาโกรนนอโกรนนอหายโกรธกูเก่งแล้วหวังเนี้ยมีความใก้เออราคะ้นอรักข้านอหายหมดหายสี่เพราะว่าทําบริกรรมนี่ทําสมถะนี่เราไม่ได้ต้องการเรียนอย่างนั้นเราต้องการให้เห็นว่าจิตที่มีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปดูเขาจะดับหรือไม่ดับเรื่องขเขา มีหน้าที่ดูเท่านั้นว่ า, วาจริงๆมันดับหรือไมได่ดับไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่เข้าไปแทรกแซงวันนี้จิตดีวันนี้จิตเบาจิตสบายมีความตกย่างไงทํายังไงจะรักษาได้พอนะไปรู้ว่าจิตดีจิตมีความตกอยากรักษาอีกแล้วพอไปรู้ว่าจิตไม่ดีมีอันุ๋นอยากทําลายอีกแล้วนี่เข้าไปแทรกแซงหลังการรู้แล้วไม่เข้าไปแทแ ร, รกรรแซงให้รู้ตามความเป็นจริง เขาจะอยู่นานแค่ไหนก็เรื่องเขาเรามีหน้าที่ดูไปสบายๆระหว่างดูก็ไม่ไหลเข้าไปไม่ถล่มไม่จมลงไปไอ้ตรงถล่มตรงจมนี่ต้องมาเรียนอีกทีนะวันนี้เรียนไม่ทันเข้าใจยากจิตเราพอรู้อะไรก็จะจมลงไปในนั้นถล่มลแไปจิตเราไม่ตั้งมั่นเพราะงั้นก่อนที่จะเจริญปัญญาไนดะ้จริงๆจิตต้องตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นอยู่จิตจะไม่ไหลเข้าไป จะสักว่า ร, รู้สักว่าเหตุสภาวะธรรมถึงจะเห็นตรงความเป็นจริงได้มีพูดไปสองอนนะข้อแล้นข้อแรกเราจะดูจิตใจหรือเราจะปฏิ บ, บัติธรรมจะรู้กายรู้ใจก็ตามต้องรู้ให้ถึงกายต้องรู้ไห้ถึงใจจริงๆอย่าติดติดอยู่แค่ความคิดอันที่สองต้องรู้ให้เป็นคือก่อนรู้ไม่ตั้งค่าระหว่างรู้ไม่จมลงไปรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปดัดแปลงรู้ธรามความเป็นจริงแล้วจบอยู่แค่นั้น หลักข้อที่สามก็คือเมื่อทําอย่างนี้ได้แล้วให้ทําบ่อยๆทำํำเนืองๆไม่ใช่วันนึงดูครั้งเดียวหรือเดือนละครั้งหรือจะไปดูเฉพาะตอนเข้าวัดหรือเข้าคอร์สอย่นไม่ได้กินเวลาที่เหลือกิเลสเราไปกินหมดนะเวลาอยู่นอกวัดเยอะกว่าเวลาอยู่ในวัดกระทรั่งซนาะร์นะซาร์เนี่ยเวลาอยู่นอกวัดเยอะกว่าอยู่ในวัดถ้าภาวนามไม่เก็นถ้าใจนี่หนีออกนอกวัดทั้งวันเลย ตัวอยู่ในวัด น, นะใจหนีไปคือหนีไปนอกวัดแล้เวลาตัวใหญ่เราหนีไปทิ้วงั้นเราต้องพยายามรู้สึกตัวนึงเนื้อรู้สึกบ่อยๆดูเรื่อยๆสังเกตเรื่อยๆนี่าพาคทฤษฎีจบแล้วนะครับป็นี่หลวงพ่อจะเริ่มถามต้องแนละ้อะไรอยู่อนเนี่ยก็ตอนแรกฝึกลงในในครือมไม่ใช่ขนาเนี้ยทําอะไรซ้ำไหมค่ะฟังหลงพ่อเพียงฟังอย่างเดียวไหม สัง เ, เกตไหแล้วเราฟังไปเราคิดไปใช่ไห ม, ไมฟังกับคิดนี่อะไรเยอะกว่ากันนะไม่พอนะเราค่อยๆดูใช่ไหมากกว่าเอ่ไม่เอาไม่ตัดทานค่อยๆ ด, ดูของจริงเราหัดสังเกตสักคำว่าใจของเราเราค่อยหัดสังเกตไว้ให้ดีมันชอบแอ บ, บทํางานอย่างคิตใจขนาดนี้กับตอนที่ไม่ปฏิบัติไม่เหมือนกันดูออกไหมตอนนี้เราแกล้งทําให้นิ่งๆรู้สึกไหมมีการกระทํา นี่แหละของปลอมน่ะนี่แหละคือสิ่งที่เบี่ยงเบนที่หลวงพ่อบอกว่าก่อนจะเริ่มปฏิบัติก็ทำคึ้นๆนิ่งๆใจเราไม่ได้เป็นธรรมชาติน่ะเพราะนั้นเลิกับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยได้แตรร่สมถะรู้สึกไหมว่าไม่ปล่อยแค่เลิกปล่อยจริงไปเนี่ยเห็นไหใจเริ่มเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไหมนิ่ง ถ้าตั้งไว้ก็ตั้งไว้ซึ้งก็นัง่งจ้ามันก็นิ่งทั้งวัน pumpkin. แล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเราต้องการเห็นความเคลื่อนไหวไม่ใช่ต้องการให้นิ่งเราต้องการให้เขาเห็นความเคลื่อนไหวเช่น ต, ตามองเห็นสาวจิตเกิดราคานะเี่ยจิตเคลื่อนไหวแล้วมีราคะขึ้นมาเขารู้ราคะจิตอยากละราคะอีกเนีะรู้ว่าจิตอยากละเลยจิตทํางานเคลื่อนไหวอารมณ์ภายในนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรามีหน้าที่ตามรู้จกกนกระทั้งรู้ว่าสภาวะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับถ้าตามรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นเองว่าความตุกมาแล้วก็ผ่านไปความทุกมาแล้วก็ผ่านไปกลัไปใส่ใจก็เข้าไปสู่ความเป็นกลางกัความทุกมาเมื่อไม่ทุกรนทุรายเดี๋ยวมันก็ไปความตุกมาก็ไม่หลงแล้ก็จะใจก็เป็นกลางใจเริ่มดีขึ้น ใจนั้นมดิ้นรนเม่อไหร่ก็มีความสุขมนั้นแนหะความทุกข์ทางใจเกิดจากการดิ้นรนมันมีความอยากแนละ้วมันก็ดิ้นรนทํางานไปงานทางใจมีเยอะนะแต่ทั้งการทํากรรมฐานทั้งหลายนะนะั่นแหละตัวดีเนีหลวงไปแล้วรู้ไหมสลันลงไปสังเกตมนะันดูรู้ไหมรู้ครับเออดีรู้ไว้อย่าหลงลงไปแมที่หลวงพ่อบอกระหว่างรู้ว่าไม่สลันลงไป ดูออกไหมเมื่อกี้ถลอกดูออกครับเออดีคือออกถึงยังไม่ตังใช่ใช่เราไม่ตามไปให้เราจับว่ารู้ให้อารมณ์มันไปแต่เราอย่าไปกับมันเหมือนกับสติเรามันตามไม่ทันอารมณ์หรืยังไงไมใช่สติมันเป็นจับอารมณ์ไว้เนี่ยแต่จิตมันไม่มีสัมมาสมาธิจิตมันไม่ตั้งมั่นจิตมันก็เลยไหลตามไปพอจิตไหลตามนี้สติไม่ใช่ของจริงแล้วไม่ประกอบด้วยสมาธิไม่ประกอบด้วยปัญญา เที่ยวไปสังเกตแป๊บหนึ่งซ้ำไหมส่งใจไปดูหาว่าจะดูอะไรดีไม่รู้ให้ทันนะสิ่งเหล่านี้นี่คือการปลุงแสงของจิตของขึ้นถ้ารู้ทันแล้าการปฏิบัติจะงง่ายมากเลคือเนี่ยเรคือการที่เราเห็นเข้าไปถึงตัวจริงของมันไม่ใช่เรื่องของการคิดคนระับแต่เห็นเลยจิตใจมันเคลื่อนไหวมันทํางานมันส่งไปทางโน้นส่งไปทางนีนงงน้รู้ทันมันเรื่อยๆหรือเราไปจงใจดัดแปลงทําให้นิ่งๆขึ้งๆก็รู้ทัน เออใส่อย่างนี้เออไม่เข่งนะเข่งก็หลงนะเข่งลงหายใจก็หลงนั่นแหละเข่งท้องก็หลงนั่นแหละคือมันต้องทำบ่อยๆดต้องบ่อยๆเนี่ยข้อที่สามทำบ่อยๆเนี่ยหลงคิดไปแล้วใช่ไหมคิดแล้วก็จะพยายาว่าจะไปดูอะไรดีเนี่งเสียงแานกีเล่บอกแป๊บเดียวฮัทลุยนไวมากเลย บอกเระว่าง่ายไม่ยากหรอกถ้าไม่คิดมากแล้วถ้าคิดมากยากที่สุดเลย เ, <อ>เริ่มปฏิบัติแล้วเอาไงดียะใช่ไหมเอาไงดีทำยุ่งเลยหาใหญ่ไม่ต้องหาไม่ต้องตั้งค่ารู้ทันหนึ่งเข้าไปตรงๆรงใช่ไหมของของ่ายที่สุดเลยตังเกงเตยร์ความารู้สึกเหรอเออสังเกตความรู้สึกพอทำไปบ่อยมันก็จะเออแล้วแต่ไปมันรู้สึกได้เองเลยไม่ต้องสังเกตสติเนี่ยถ้าอยู่ตงใจทําให้เกิดแล้วก็สติรอม นะสติจำปลอม ด, ดูกิเลสกิเลสไม่ดับหรอกแต่ถ้าสติที่เกิดขึ้นเองนะเกิดจากการที่จิตเนี่ยจําสภาวะรมได้เช่น <c oughs> มันจําได้ว่าจิตไหลไปนเนี่ยเป็นอย่างนี้พาจิตไหลแป๊บเดียสติจะเกิดเองเลยรู้ทัน <c oughs> ทันทีที่สติรู้ทันจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลไป ใ, ในทันทีที่ตั้งมั่นปัญญาก็เกิดจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวเกิดแล้วก็ดับแตนะนี่ปัญญาเกิดอยู่ตรงนี้เอง เมื่สติสมาธิปัญญาทำงานควบคุมค่อยๆเรียนนะเรียนแล้วมีความสุขอาตมากล้ายืนยันเลยใครฝึกปฏิบัติได้แล้วมีความสุขมากอาตมาตอนเสียตายเนี่ยโอ้เบิกบานมีความสุขอย่างเลยเนี่ยเสียตายแนละ้วเห็นไหก็ใะเจ้าสอนว่าจะต้องตายตายจริงๆธรรมะแสต่ให้เราดูาายเบิกบานในธรรมะนะไม่ใช่เบิกบานว่าเสียตายหรอก อย่างนั้นลูกกั บ, บปตัตนอยู่สัง <c oughs> เกตไหมพอหลวงพ่อพูดเล่นใจพวกเราผัอนคลายรู้สึกไหมเ <c oughs> นี่ยเนี่ยหัดรู้สึกอย่างเนี้ยเวลาเรากระทบอารมณ์แต่ครั้งเนใ จ, จิตใจเรามีปฏิกิริยาไม่เหมือนกัน <c oughs> พอหลวงพ่อพูดเล่นพวกเรารู้สึกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือเกิดความผ่อนคลายในใจ <c oughs> พอพูดจริงจังใจก็เริ่มนิ่งนนี่ก็เป็นปฏิกิริยาเซี่ยเซ้ารู้ความ เ, เามปลี่ยนแปงเหล่านี้ไป มนันเป็นอาการทางจิตเป็นอาการทางจิตเป็นความรู้สึกนะที่ดูเนี่ยจะมีสองนันอาการนันหนึ่งความรู้สึกความรู้สึกเช่นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกโกนะรธอาก า, ารทางจิตเช่นเราเห็นว่าเดิจิตไหลไปนะทรงนี้จิตเข้าไปเกาะแล้วจิตแอบพยายามแก้ไขแล้วจิตตั้งท่าแนละ้วนี่เป็นอาการหนะนึงเวลาดูเราจะเห็นสองนัน เราพูดดุลสอนเนี่ยสอนให้รู้ทันพลึดของจิตก็คือรู้อาการของจิตแต่ถ้าเรื่องต้นรู้อาการไม่ได้ก็รู้สภาวะรู้ความรู้สึกแ่ะอย่าไปแกล้งทาแกล้งอีกละเออร่อยละสอให้หมดเกินนะยังไม่หมดดีไม่ต้องเครื่งใจนะอใหม่มันสอนไม่หมดก็ช่างมันเถอะหลวงพ่อไม่ว่าละอาคุณตายหรือเป่าเป็นไงสมัครบ้านไหม ตามความคิดตามยังไงบางทีว่าดูแล้วรึกว่าเราคิดตลอดทั้งวันเออไม่ต้องตามมันก็คิดคือรู้ๆตรงนี้คิดไปแล้วสิตใจเกิดความสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้นะเกิดกุศลก็รู้เกิดอกุศลก็รู้ไม่ต้องไปตามเรื่องที่คิดนะเอออย่างนั้นดี อย่างนั้นรู้พฤติกรรมของจิตแล้วนะจิตแอบไปคิดเรารู้ว่าจิตแอบไปคิดใชเราไม่ได้ไปรู้เรื่องที่เขาคิดเรารู้ว่าจิตแอบไปคิดอย่างนี้ดีดีมากๆากเลยทันทีที่รู้ว่าจิตแอบไปคิดมันก็เลิกแต่มันเลิกอยู่ไดชั่วคราวมันแอบไปอีกทำไมมันเลิกชั่วคราวแล้วมัแอบไปอีกก็ปัญญาไม่พอมันยังไม่เห็นอริยสัจไม่ใช่ว่าว่าคือต้องเป็นอย่างนั้นแหละ คือปกติเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยจมอยู่ในความคุกตลอดเวลาตั้งแต่เกิดแต่เราก็ไม่รู้สึกจิตใจเราจะไหลก่ออยู่เนี่ยแล้วเดียเด๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็ทุบอะไรเนี่ยเราไม่เห็นว่าเนี่ยป็นคุกทั้งหมดเลยแต่กับเรารู้สึกว่าเดียเเด๋ยวเราก็สุกเดี๋ยวเราก็ทุกเพราะปัญญาเรายังไม่แก่กล<น>้าเปรียบเทียบว่าคล้ายๆกับสมมติเราเกิดมาบ้านเราอยู่ใกล้ๆกับที่ทิ้งขยะของปตมตรงนี้เหม็นๆคนอื่นก็ผ่านนี้เขาจะตลด แต่เราอยู่ตรงนั้นมันตั้งแต่เกิดเลยไม่เห็นเท่าไหร่หรอกนะคุ้นเคยเราอยู่กับทุกข์จนคุ้นเคยกับทุกข์ไม่เห็นทุกข์หรอกเพราะงั้นเราเห็นทุกข์ไม่ได้ก่อนที่จะเห็นทุกข์เนี่ยเราต้องถอยออกมาจากที่เดิมซะก่อนเช่นออกมาจากบ้านนั้นก่อนไปอยู่ที่อื่นสักพักหนึ่งแล้วกลับเข้าไปตรงนั้นใหม่คราวนี้เหม็นนี้กว่าเก่าเหม็นนี้กว่าที่เคยได้กลิ่นมาตลอดชีวิตจิตก็เหมือนกันจิตเราเคยจมอยู่ในกองทุกข์ เราสามารถถ อ, ข อ, ข อ, ขอขนตัวเองขึ้นมาจากกองทุกข์ชั่วคราวกลับเข้าไปใหม่เราจะพบว่าโอ้ทุกข์ฝาดนะความสุขที่ว่าเคยเป็นสุขนั้นไม่มีหรอกมีแต่ทุกข์รุนรทุกข์มากทุกข์น้อยนี่วิธีที่จิตจะหลุดออกมาชั่วคราวเรียกว่าจิตสติขาเคยได้ยินไหมศีลสติขาจิตสติขาปัญญาสิกขาหรือศีล ส, สมาธิปัญญาหนึ่งวิธีทําให้จิตหลุดออกมาจากกองทุกข์ชั่วคราว ก็คือการทำสมาสมาธิหร hmm. mm ือทาจิต hmm. ต <one. S 2> mm ิกขามีสองวิธ hmm. ีที่เป็นสองวิธีเพราะว่าเป็นวิธีของสมถะยานิคต์หนึ่งของนิปัสสนายานิกต์วิธีของสมถะยานิคตคือทาฌานเซนจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งในขณะที่อารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนี่จิตถอดถอนออกจากกองทุกข์ที่เคยอยู่ต่อมาพอเราออกจากสมาธิเราจะเห็นเลยว่าความทุกข์มันริ่มเกิดขึ้น อยู่ในตาที่มีความสุข่อมากระทบข้างนอกเนี่ยชัดจะเห็นฟุกกระทบนิดนึงก็เห็นปุกชัดเหรือ น, นถ้าเราสอดถอนออกมาช่วคราวกลับเข้าไปใหม่จะเห็นฟุกอีกวิธีหนึ่งถ้าเราทำฌานไม่ได้จะให้เราทำความรู้สึกตัวขึ้นมาคือใค่คอยหมัน่นสังเกตกายสังเกตใจตไปเรื่อยๆทันทีที่เรารู้ว่าจิตเราไหลเข้าไปข้างในจิตจะสอดถอนอตัวเองขึ้นมาชั่วคราวเรารู้สึกตัวที่คุณตายว่า มันจะรู้สึกตัวขึ้นมาแวบหนึ่งเรียกว่าคันกะสมาธินะมันีะอยู่ได้แวบเดียวเดี๋ยวมันจะไหลเข้าไปอีกถ้าไหลเข้าไปอีกเนี่ยรู้อีกรู้ท่านหลุดอีกแล้วพอหลุดเนืองเนืองเนี่ยมันจะทั่งจิตมันจําสภาวะของการที่หุดออกมาจากกองฟุ้งได้พอมันจําตรงนี้ได้แลเนี่ยต่อมาามันไหลเข้าอีกมัเห็นปุ๊บชัดเลยครั้งนี้ยจะรู้เลยว่าจิตมีตัณหาเมื่อไหร่ความผูกเกิดเมื่อนั้นเป็นอริยสัจเถอะนะมีตัณหาคือมีการพยานแต่ พยายามไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าะยยางทางใจอย่างเราส่งเข้าไปข้างในก็ทั้งส่งไปปฏิบัติส่งไปจับลมหายใจเนี่ยใจจะมีผักขึ้นมานิดหนึ่งแล้วความทุกข์เกิดไปจับลมหายใจก็มีทุกข์นิดหน่อยเป็นบังคับลมหายใจก็ทุกข์มากขึ้นให้เกิดตาค่าโตสะรุนแรงก็ทุกข์เยอะอย่างนี้เพรนั้นจิตใจเราต้องตั้งมั่นขึ้นมา จะยางรู้สึกตัวไว้พวกเราทําตามไม่ได้ก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆ อ, อย่าใจลอยรู้สึกตัวเนี่ตรงข้ามกับใจลอยอ ร, รู้จักใช่ไหมใจลอยมีหลายเกรดนะใจลอยสุดขีดเนี่ยคิดอะไรก็ไม่รู้ไปเป็นไหมนั่งไปนั่งรถไปไหนสักแห่งหนึงอ้าวถึงแล้วเหรอนะคิดตลอดทางเลยมนไม่รู้ว่าคิดอะไรนี่เรียกว่าใจลอยสุดขีดนะใจลอยหรือหลงระดับที่รองลงมาคิดอะไรก็รู้หมดเลยรู้เรื่องที่คิด แต่ลืมกายลืมใจของตัวเองนี่ก็หลงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหลีไปคิดไปเกี้ยวแวบบรู้สึกไหมตรงที่แวบบ๊บหลีไปคิดเนี่ยเราลืมกายลืมใจอย่างขนาดนี้เห็นไหมเราลืมกายลืมใจนี่หลงเหมือนกันเพราะงั้นเอาความคิดมาใช้ไม่ได้ในการทำอภิษสนาเพราะความคิดมาเราไหลาตามเมื่อไหรเราหลงเมื่นั้นเราไม่สามารถลืมกายลืมใจได้ดั้นเราต้องหลุดออกจากความคิด หลวงพ่อพูดถึงต่อเนี่บอกสมาธิเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดหมดความคิดไม่ใช่แต่ว่าไม่คิดเลยนะหมายถึงเราหูุต่อกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเนี่ยหนีเข้าไปโลกของความคิดแล้วเนี่ยใส่แล้วรู้ทันบ่อยๆไม่ทําบ่อยๆแล้ว อ, อ้ามทํำวิปัสสนาทำเอาไม่ได้แล้วรู้สึกเอา เออรู้สึกบ่อยๆถ้าทาํามาอย่าเริ่มนะแต่อไปนี้ถึงเวลาทําทำขึ้น อ, อันที่หนึ่งทำขึ้แต่ไปพอขึ้นได้ที่แล้วเริ่มแกว่งเ อ, อ๊ะจะดูอะไรดีเริ่มหาหาไปหามาเจอนี่เจ้องแนละ้วตอนนี้นั่งเข่งเข่งไปเข่งมาเออไอนน้นี่สวยดีเนะี่ยอยากได้แนละนะต่อไปนู่ น, นอยากแก้ไขอยากรักษาเกิดงานทางใจังงานทางใจทั้งหมดเรียกว่าพบ พอสำเพอพอพานคือการทํากรรมทางใจนั่นะเรียกว่าพบสังเกตว้าจิตเราทําทํางานทางใจตลอดเวลาสร้างพกสร้างชาตนั่นแนะหละรวมทั้งทำรมถานนั่นแหละก็พบตัวดีนั่นแหละนะสร้างปกแล้วดูไหมทำขึ้นอีกแนละ้วเห็นไหมหลวงก็ไปสังเกตว่านะดูออกไหมตรงนี้รูออ้ออกก็ปฏิบัติได้ดูไม่ออกปฏิบัติไม่ได้ได้แต่สมถะ คือมันมันรู้แต่มันมันยังไม่ทันมันนะคต้องรู้ไม่ทันครับถูกต้องแล้วห้ามรู้ทันมันตอมผันอารมณ์ตัวเองหน้าว่าเกิดอะไรคิดอะไรแต่ว่ามันตามไม่ค่อยทันผูกแล้วเดี๋ยวผมพ่อพูดครั้งที่สอบทันไม่ได้หรอกห้ามทันทําไมถึงทันไม่ได้เพราะขณะที่จิตหลงดูไปนั้นจิตสิทธากุศลมันมีสติไม่ได้ พระพุทธเจ้า <heraus> ถึงไม่ได้สอนบอกจงรู้ในขณะที่เผลอแต่ท่านบอกถ้าเผลอแล้วก็รู้ถ้ารักแล้วก็รู้นะถ้าโกรธแล้วก็รู้เรียกว่าตามรู้อ่ยที่หลวงพ่อพูดแต่เพียให้ตามรู้หมายถึงว่าพอมันเกิดอะไรขึ้นในทางจิตใจเราเนี่ยให้ตามรู้ไปเช่นเมื่อกี้มันเผลอไปตอนที่รู้ว่าเผลอเนี่ยตรงนี้ไม่เผลอแล้วรู้แล้วได้รู้เรียบร้อยรู้ถูกต้องแล้วไม่ใช่เผลอไปรู้ไป บางคนมาถามเอ๊ะทำไมผมดูไม่ทานตอนกิเลสเกิดเลยนะเห็นแต่ตามมันเกิดไปแล้วก็ถูกแล้วถ้าใครเห็นได้เรามีปราราสนะห้ามเห็นพันธีนะมีปราราสเลยแต่พอมันเกิดแล้วรู้ไวๆรู้ว่าอย่างบางทีเจอมีสิ่งกระทบใช่ไหมครับออรู้ว่าโกรธเกิดแล้วเราเออรู้แน่ถูกถูกแล้วในขณะทีออ่โกรธในขณะหนึ่งในขณะที่รู้ว่าโกรธเนี่ยมันรู้ตามหลัง แล้วแมันจะอยู่ทับพักกัยแล้วมันก็ไปไอ้นั้นเราอยากรู้ไม่เต็มที่จิยตยังขลังอยเลยแต่ถ้าสติเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนี่นะครับเรศจะขาดจะตั้งหมดเลยจะหายเลยเหรอหายทัทนทะีเพราะกาุศลกับอกุศลเกิดร่วมกันไม่ได้ยกเว้นแต่สติแกล้งทำสติแกล้งทำเช่นจะตั้งใจดูโทระเมื่อไหร่จะหายนาทีไม่หายหรอก เพราะขณะที่ดูนี่นะเกิดโาสะอีกตัวอยากลัะอีกตัวเนี้ใช่ไหมเรากำลังสร้างโาสะตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปหลงดูอยู่นั้นแหละื่อนตามรู้ไปจริงๆใครๆก็ตามรู้ได้ไม่ยากนะเพียงแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยขาตามนานไปหน่อยเช่นโเมื่อวานวันนี้รู้วันนี้ตามอวันนี้ไม่เอาเมื่อวานนี้ไปชกหน้าเพื่อนวันนี้เพิ่งหย่านึกได้หยนึกได้ว่าเมื่อวานมีชกเขาแล้วเสียใจ เสียใจโทษเราไม่น่าทําเพื่อนเลยเราทําไงจะไปง้อก็ดีไปอนาคตอีกล้วกําลังเสียใจไม่เห็นอีกละเพราะงั้นหลักของการปฏิบัติที่ให้ตามรู้แต่ต้องตามรู้กับทันควันนะเขาเห็นหนังมันไม่ใช่มันไปไหนแล้วก็ไม่รู้สามวันสามคืนเราต้องรู้ทีหลังนี่ใช่ไม่ได้ต้องตามรู้แบบไม่มีอารมณ์อื่นมาขั้นเช่ น, นมันเสือไปรู้ทันรับก็เสอือระหว่างเสือกับรู้เนี่ไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรก ไม่ใช่เมื่อวานนี้เผลอวันนี้รู้อย่าง อ, างอางื่นมนแทรกเยอะแยะนี่ใช่ไม่ได้ต้องถามรู้นะต้องให้มันเผลอกอลว่าเรารู้ดีหลังห้ามรู้ตอนที่มันเผลอนะเดี๋ยวบ้านมันเป็นไปไม่ได้เห็นไ้มว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาเรียนให้ดีนล ะ, ะเลอียดรอแล้วเร า, าจะจ่ปฏิบัติง่ายๆไม่ได้ยากไม่ได้ฝืนธรรมชาติไม่มีอะไรที่ต้องกดกดบังคับเพียงนิดเดียวใจลอยทราบไหม มีไปเที่ยวแล้วให้คอยรู้ทันอีกเนี่ยใจก็มีแวบไปรู้แวบไปรู้นะให้หัดรู้ไปเรื่อยสั้งท้ายเหรอรู้ไหมเพ่งมาทั้งระยะเนี่ยครายยาับระยะอย่างดีนะอย่างแก้ได้บางคนเพ่งมาตั้งห้าสิบปีหลวพ่อบอก็เพ่งต่อไปปมีซ่าคนหนึ่งอายุตั้งแปดสิบเจ็ด ติดสมาธิโอ้ทำสอาธินี่รวมเปนหนึ่งเลยนะโลกกระแทกหายเลยฝึขกขนมุขเทศโอ้อาจารย์เดียวกันเลยเสร็จแล้วบอกคุณตาทำํำไปกดคมมาจานอายุแปดสิบเจ็ดแล้วนะไปเริ่ม ก, กดกระดไสกิเลสที่ซ่อนซ่อนไว้จะขึ้นมาเป็นภูเขาเลยเนี่ยไม่มีเวลาพอที่จะสู้แน่ะอย่างนี้ไปฟรอมตะโลกก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเรียนต่อถ้าแก้ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปอบายกันะ พวกโรมเุี่รูชาติถึงบอกพวกโรมตัวใหญ่แ่ละใบานิ่งนานเก็บกิเลสเอาไว้เยอะแยะเสือไม่คิดแล้วรู้ไหมตรงหอตงเต่ อ, อ ก, กี้หอไม่คเลยอแล้วเสือเลยอม่ใช่หอแล้วคิดเลยคิดเนยเออนึกออกใช่ไหมตรงที่เรารู้ทันสภาวะนี่แหละียกว่ารู้นะ ไม่ใช่เรื่องคิดเอาถ้าอย่างเราเราเผลอแบบคิดอกุศลนี้ใช่ไหมครับถ้ารู้ขึ้นมาทันในขณะที่รู้เนี่ยจิตเป็นกุศลแล้วแล้วตอนนั้นอกุศลที่เราคิดไปบาปบาปสิแต่ว่าจบไปแล้ว <c oughs> ก็เป็นบาปนะเออแต่ว่าตรงที่รู้ขึ้นมาเนี่ยเกิดมาหากุศลเข้ามากันไมไม่แทนกันต่างคนต่างทา ง, ง, งานแล้วแต่ว่าไหนจะชนะอันไหนจะมากแทนไม่แทยกันนะกุศลมีอกุศลไม่ล้างกัน เพงั้นทฤษฎีแก้กลับไม่มีนะในศาสนาพุทธเนี่ยหลงอีกแล้วนี่ก็หลงนะหลงที่อีกแบบหลงทำคลื่อแล้วรู้ไหมกำลังคิดตามใจในเอเอเนี่ยหนะลงไปแนละ้วไมเคาะแลไม่เอาที่เคาะก็ไม่เอาเคาะ ไ, ไม่ได้สนมะไม่ต้องเป็นนักวิ่เคาะให้เป็นนักสังเกตการพอแล้ว สังเกตการใหมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นรู้อย่างนั้นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้อยนี้ผู้คิดมาเป็นสังเกตเออเปลี่ยนจากผู้คิดเป็นผู้สังเกตคนตั้งคิดเองครับมันเ็นคิดเองครับสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ไปถึงก็ไปกราบเลยหลวงปู่ผมอยากปฏิบัตินึกว่าท่านจะสอนการปฏิบัติท่านนั่งหลับตาไปเกือบชั่วโมงสลืมตาแล้วสอนเลยอ่านหนังสือมามากแล้วสอนทีนี้อ่านจิตตนเองให้อ่านจิตตนเอง อ่นจิตเราลงคิดถึงการอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งนักอ่านหนังสือทําไงก็ไปหยิห น, นังสือมาแล้วก็นั่งดูไปใช่ไหมดูไปมันเป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงก็ตามอ่านไปเรื่อยๆไม่ใช่ให้เป็นนักประพันธ์นะท่านบอกไม่ได้บอกว่าอ้าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้เป็นนักประพันธ์แต่เราชอบประพันธ์ใช่ไหมจิขตของเราไม่ดีแต่งมันให้ดีไม่ใช่เป็นนักประพันธ์ไม่ใช่เป็นนักวิจารณ์หนังสือด้วยนะ เพ้นกิเลสเกิดไม่ต้องลำซ้ําำคันโอโทรศัไม่ดีนะอย่าอย่ามีโทรศัพท์เลยจะทำความทุกข์มาให้ น, นี่เรื่องนักําคันนักวิชาวิจารณไม่เอาเสียเวลาไม่ช่เป็นนักอาหารนักรู้อย่างเดียวเพราะว่าการปรุงแต่งนั่งประพันธ์ไปนั่งแต่งไปนะั่นแหะความปรุงแต่งเมื่อไหร่เราจะหลุดจากความปรุงแต่งได้แต่ถ้ารู้เอารู้เอาเนี่ยความปรุงแต่งที่เกิดอยู่จะดับไปดับไป เราเผลอเผลอคิดมาตั้งยาวแล้วเขารู้ทันปั๊บนะเรื่องที่ปรุงแต่ก็ดับหนะมดแล้วเพราะงั้นเรารู้ไวๆความปรงแต่ก็สั้นลงสั้นลงสั้นล ง, น, ลงนะนิพพานไม่ใช่เรื่องอะไรตลาดนะนิพพานคือสภาวะธรรมที่พน้นจากความปรุงแต่งเพรงั้นจะมานั่งปรุงแต่งแล้วหวังว่าจะเห็นนิพพานมนะันไม่มีทางเลยนะเราทําสิ่งที่เป็นศัตรูกับนิพพานมะครับเนี่ยปรุงแต่งนะ <Yeah. S 1> รู้ไหมครับอนะันอัน อานจิตตัวเองนี้ต้องใช้ความคิดนะไม่ใช้ปล่ออะไรอเดยหรือว่าปล่อยไม่ปล่อยก็สร้างมันดูมันเฉยๆรู้ตามที่มันเป็น<ฆ>นะรู้ตามความเป็นจริงนะยากไหมสั่งล้วยากเลยไม่ยากหรอกจริงๆคนมาด่าเรานะัา้ น, นะนเราโกรธนะพอเร า, เ า, นนเรานะโรากาารธปุ๊เรารู้เลยว่าใจเราโกรธส่วนมากพอคนมาด่าเราเราโกรธเราดูหน้ามันนะเออ หรือเรารักใครสักคนหนึ่งแทนที่จะรู้ว่ากําลังรักอยู่เราก็ไปคิดถึงคนที่เรารักนะเราโกรธใครแทนที่จะรู้ว่ากําลังโกรธเราก็ไมคิดถึงคนที่โกรธเราสงสัยเอ๊ะการปฏิบัติจะทํายังไงดี น, นั่นเองความสงสัยเกิดแทนที่จะรู้ว่ากําลังสงสัยจะไปคิดใหญ่เลยว่าคําตอบมันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยก็ดูไปว่าสงสัยนี่ยคิดแล้วไหมเพ่งแล้วรู้ไหม รู for lacks, mm ้ลงไปอย่าถลอกลงไปรู <c ười> like ้นะรู้อยู่ห่างๆรู้สบายๆเนี่ยคล้ายๆเรายืนอยู่ดิมตลิงอ่ยแล้วดูสิ่งที่ไหลไปในน้ำเราดูอยู่ไม่กระโดดลงไปในน้เอย่ากระโดดลงน้ําละพี่เจรนานต่ว่าอะไรก็ขอโทษค่ะบอกพูดผิดผิดแต่ถ้าเกิดเราคือแค่นี้เนี่ยพอเราลงแค่ลงแค่เราจะรู้สเฉยๆใ่ไมะ เอ่แล้คือคูเ ค, คนยนสิ ต, ตช่วยนิสิตเฉยเฉยแล้วหนูก็ตกใจเฉยนี่สงเฉยนะเฉ ย, ยก็ปัญญาเนี่ยหนึ่งนะเฉยเพะสมาธินี่ก็อีกอย่างหนึ่งอีกคู่หนึ่งนะเฉยแบบฉลาดแต่เฉยซื่อบือ้แอแมแต้งใจอรเรไม่สนใจคือถ้าเฉยแบบซื่อบื้อนี่นะจะเฉยทื่อๆใจแข็งๆ แ, แน่นแน่นแต่ถ้าเฉยแบบฉลาดนี่นะใจจะปลอดลงเบิกบานเบา แ่นส่วนตัวเราเยเฉยนวที่อะไรหน่งส่วตัวเราเอานพีต้องจุดสุดที่เฉยเฉยที่เราตัดเราัหรเราเป็นหวนใสามแง่มุมบ่มุมถ้าตกใจนะไม่ต้องดูเฉยแล้วรู้ว่าตกใจคืออารมณ์ปัจจุบันนะอย่าไปกลัวเฉยนะเพราะฉิตเราไม่เฉยหรอกเห็นไหมพอมันเฉยได้แว้บเดียวมันก็เปลี่ยนมาเป็นตกใจละไมนอย่าไปกลัวเฉยเฉยก็เป็นอารมณ์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะอย่ากลัวนะทำอย่างนั้นก็ดีแล้ว แต่ถ้าใจไม่เฉยก็รู้ว่าไม่เฉยอย่าไปบังคับให้เฉยส่วนมากช้าไปทำสมาธิให้มันเฉยไงทำึืนมีบางคนนะเคยเล่ากเก่าๆเดี๋ยวเคยได้อินแกรวยจําไม่ได้แล้วเคยมีเงินเป็นร้อยล้านเลยเห็นเจ้าของโรงงานแล้วมีผมหน้านี้ใส่ชั่วผมชอบแกล้งคนเวลาเข้าโรงงานปุ๊บม่นจะแกล้หาเรื่องด่าคนงาน แอมมันส่วนใจในตัวตัวสัตว์มันจะดีใจหรือมันโลภจิตนะเสร็จแล้วเปฏิบัติธรรมให้ผมนี่กิเลสหนาผมเลยฝึกตัวเองใหม่เนี่ยผมไปจ้างเขามาด่าผมผมไม่กลัวเลยมันด่าผมสองชั่วโมงกินน้ําไปตั้งหลายแก้วเนี่ยตอนนั้นถ้าหลวงพ่อสวนน่ะบอกไอ้โง่น่ะต้องกลัวหลวงพ่อเลยใช่ไหมเขาไม่ได้จ้างให้หลวงพ่อด่ า, า, า, ดาไม่มีการเตรียมพร้อมไหมใช่ใช ตรงั้นเตรียมต้อมไม่ดีอย่าไปทําใจให้เฉยไว้ไม่ได้เราไม่ได้เหตุของจริงเขตามปุ๊บแล้วก็ดับตรงนั้นเลยดับไม่ดับช่างมันนะรู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรมันมันคงจะดับไม่ได้นะแต่ว่ามันระงับเฉยๆเท่านั้นไม่ระงับอ่ะจะมันเกิดอะไรก็ตามรู้ไปอย่างนั้นอย่างพอเราไปรู้ความเกิดก็พอรู้ปุ๊บถ้ารู้ถูกต้องนะดับทันทีถ้าเกิดดูแล้วเฮ้ยไม่ดับมันจ้องราไปจ้องไปไม่ยอมดับ ถ้ายังไม่ฉลาดจะจ้องไปเรื่อยๆวันหนึ่งสติปัญญากแก่กล้าขึ้นมาอ๋อกําลังถล่มลงไปเจ้าจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่เป็นกลางพอรู้ทันว่กนากําลังไหลลงไปถล่มลงไปจ้างก็หลุดออกมาเลยพวเรื่อะเดนดานไปหมดเลยนี่สติโดยจริงเกิดแล้วอย่างสมมตเวลาเราโกรธเนี่ยเราก็สมมติเรื่องมันขึ้นมาอะไรใช่ไหมรู้ว่า เราไม่เถียงเขาแต่ใจเรารู้ว่าเราโกรธแล้วก็มองไปมันก็ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีการสารใดปากมันก็หายเพราะนั้นออย่างนี้ก็อพอใช้ได้แต่ยังไม่ถูกต้องทีเดียใช่ไหมครับถ้าถูกต้องเนี่ยใจยจะเป็นกล า, จายยงจะเป็นกลางใจจะไม่ไหลเข้าไปะนะใจจะสักล่ารู้อยู่ห่างๆไม่ถล่มลงไปรู้จักถล่มลงไปรู้แล้วใช่ไหมทําไม่ตามเข้าไปเออถ้ไม่ตามมันไปถ้าตามไม่ดับหรอกครับแล้วนานกว่าจะดับ ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเป็นกลางหมายถึงว่ามันรู้สึกอย่างไงก็รู้สึกอย่างนั้นน่ะไม่หลงยินดียินไล้ตามไปเช่นความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าโกรธไม่ใช่ไม่มีความโกรธนะถ้าโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าโกรธโกรธก็โกรธมาแล้วแรกนี้ก็คือมันก็เล่นเนี่ยบางทีเรียกหลวงอาใช่ครับบางทีมัมันแล้วแต่อารมณ์บางทีก็เรื่องเพราะไปให้ไปหาครูบาอาจารย์เยอะบางทีก็หลวงอาหลวงพ่อหลวงพี่อะไรอย่างเงี้ย เนี่ยผมน้องก็แล้วก็ผมลลืมนะตามไม่ทัน้เออแล้วืมแล้วจบ